ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายชาดกคือมหาโพธิชาดกที่เล่ามาเมื่อวันก่อนนั้นเป็นชาดกที่ให้อะไรได้หลายอย่างโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งท่านที่ศึกษาวรรณคดีในรูปวรรณคดีวิจารน่ะท่านจะเห็นว่ามีองค์ธรรมปรากฏอยู่ในเรื่องนั้นๆมากตั้งเป็นพฤติกรรมของบุคคลทั้งคาพูดแล้ว ก, ก็การแสดงออกตลอดถึงภาสิท์ต่าง เมื่อก่อนามาสรุปมาจนถึงถึงตอนที่มาโพธิปริพาชกนะฮะทำให้เป็นฤาษีเป็นปริพาชกเมื่อเห็นว่าประชาชแสดงอาการไม่นับถือท่านแล้วก็เบียดเบียนบีบคั้นจนถึงรู้จากสุนักืกโกลยายกะว่าประชาชวางแผนจะฆ่าแล้วท่านก็ เตรียมตัวที่จะออกจากเมืองฝ่าปประราชาก็มามองว่าถ้าหากว่าโพธิยเอมหาโพธิปริภาชกคิดกบฏจริงก็คงจะนำคนมาแหละวันนี้แปว่าเสร็จแล้วท่านก็อยู่ของท่านคนเดียวกาลังเตรียมจะไปพระราชาก็คิดว่าเข้าจผิดที น, นี้ไอ้ช่วงตรงนี้มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่น่าคิดว่าตอนกลางคืนท่านกรุ่ม คือเป็นการต่อสู้กันระหว่างความสํานึกคุณกับไอไ อ, ไอความหลงความโลภหลงที่บังเกิดขึ้นเนี่ยจนท่านนอนไม่หลับแล้วก็ไปปรึกษากับพระเทวีพระเทวีท่านเกิดไปเห็นคล้อยตามมันก็แปลกพระเทวีท่านเกิดไปเห็นคล้อยตามว่าเมื่อพระองค์มั่นใจว่าการปฏิภาชกจะเป็นข้าศึกต่อราชสมบัติ เราจะเดือดร้อน อ, อะไรในการฆ่าคนเช่นนี้เพราะแม้แต่โอรสเองก็ต้องฆ่าหรือถ้าเป็นอันตรายต่อเราประชาชาก็สบายใจเพราะคำปลอบขันของมเอสีและในที่สุดเมื่อพระโพธิสัตว์เตรียมจะออกท่านก็ไปขอให้อยู่แล้วข้อที่พระโพธิสัตว์อธิบายให้ฟังนั้น มีอยู่ตอนหนึ่งที่เป็นคมเป็นคําคมและออกจะเป็นภาสิทธิ์ที่มีแม้ในโลกก น, นิตนะฮะก็คือมิตรจะเบื่อหน่ายหรือแตกแย ก, กจากกันเพราะเหตุสามประการประการแรกคือเพราะคุกคีกันมากเกินไปคือคุกคีกันอยู่กันเช้ากันเย็นอะไรแต่ไรเนี่ยฮะแล้วก็เล่นหัวกันมากเกินไปแต่ในที่สุดจะจบด้วยการแตกแย ก, กกัน ประการที่สองคือเหินห่างกันเกินไปไม่เคยติดต่อกันเลยไม่เคยเกื้อกูลอะไรกันเลยอันนี้ในที่สุดก็คงจะจางไปโดยลําดับแล้วก็ความเป็นมิก็ต้องเลือนหายไปนั่นก็ออกจะธรรมดานะอีกประการหนึ่งคือขอมากเกินไปตามหลักที่เราสังเกตนะฮะเราจะพบว่าคนเรานั้นก็ต้องมีการเกื้อกูลกัน แต่ถ้าขอมากเกินไปโดยเฉพาะขอของรักแล้วถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะทนไม่ได้แม้จะดีอย่างไรกันก็ตามนะฮะในถึงถึงจุดหนึ่งจะทนไม่ได้และแม้การขอนั้นจะเป็นการขอของพระเองก็ตามในสมัยพุทธกาลก็มีเรื่องเล่าถึงพระท่านขอบุ่นวายจนถึงกับ ชาวบ้านขวัญเสียเลคือเห็นพระแล้วต้องรีบบอกเหมือนกับสมัยนี้คนบางคนรังเกียจ ด, ดีกาพระนะฮะแต่ว่าเกื้อมาเองมองไปในแง่ที่ว่าโยมเราไม่เข้าใจนะฮะเพราะเราไม่ได้ให้การให้ความรู้เรื่องศาสนาที่ถูกต้องกันมากกว่าตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะาเราเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับศาสนาในลักษณะที่ฉาบฉวยมาก ไปงานวัดก็ถึงงานประจำปีปิดทองฟังลูกนิมิตอะไรตไั้ง เ, เป็นลักษณะงานฉาบสวยเป็นงานสนุกสนานรุ่นเริงแทนที่จะได้ความรู้หลักเหตุผลที่ถูกต้องเมื่อคืนก่อนมีโยมคนหนึ่งไม่ทราบใครนะตัวส์มาถามมาได้รับดีกาบอกว่าถ้าท่านทำบุญจะได้ที่ยืนของท่านก็ขอให้บริจาคท่านนั้นบาทท่านิี้บาทแลวถ้าได้ทุกอย่างเนี่ยเอามารู้สึกเกสองพัรอบาทได้เลยไม่แม่นนะฮะ ต, ตัวเลขคือคล้ายๆจะไปซื้อจับจองที่ไว้ในสวรรค์อะไรต่างๆแแกก็เล่าไปมาก็มันก็ขำนะฮะก็แกคงจะรู้สึกอย่างไรไม่รู้แกเล่าไปมาก็หัวเราะเลยนี่ก็แล้วแกถามอันนี้ถ้าไม่ทำมันจะบาปไหมฮะมาก็บอกยิ่งได้บุญใหญ่เลยเพราะอะไรเพราะว่าลักษณะเหล่านี้ไม่มีในในพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาไม่ได้สอนเป็นวัตถุเป็นตัวกําหนดบุญนะฮะแต่ว่าจิตใจเป็นตัวกําหนดบุญคือคุณภาพของจิตเราที่เกิดเสียสละยกตัวอย่างว่าคนหนึ่งเดี๋ยวเขาอาจจะสละได้เป็นล้านสมมุติว่าในในกรณีให้ทานนะฮะเขมีเงินพันล้านเขาให้เราได้ล้านหนึ่งนะฮะแล้วก็คนที่มี10บาทเขาให้บาทนึงนะฮะเราลองลองดูไอ้คุณภาพจิตมันมันจะเปลี่ยนแปลงต่างกันเยอะเลย คนที่มี10บาทหรือว่ามีห้มีหบาทห้บาท น, นี่ครับจะแสดงว่าต้องขจัดปัจจัยยะได้แยะเลเพราะในคุณภาพจิตตรงเนี้ยมันเป็นจะเป็นตัวแปรมันไม่ใช่ตัวเงินเป็นตัวแปรนะครับเาจะต้องมากเราไม่มีเงินไม่ได้ทําบุญอะไรนี้ยพูดจากันไม่รู้อะไรมาพูดอ่ะมันมีที่ไหนหราไม่มีหลักเลยในพุทธศาสนาบอกไม่มีเงินเราไม่ได้ทําบุญเนยไม่มีเลยนะฮะทานนาำมัยเวลาขึ้นสูงขึ้นอย่างที่บอกว่าทานน้มันเวลาสูงเนี่ยมันเป็นอภัยทานนะฮะ อภิธานไม่ต้องจ่ายสตังนะครับไม่ถือโทษยกโทษให้เขาก็จบสูงขึ้นไปกว่านั้นก็ทำมาทานแนะนาชี้แจงมันสูงสูงสุดยิ่งไม่มีวัตถุอะไรอยู่เลยยิ่งสูงยิ่งจะไม่มีวัตถุแล้วจนถึงเปนน็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนหายไปเลยนี่คือหลักของของพระพุทธศาสนาันี้เราเราไปเที่ยวเอาอะไรขึ้นมาพูดแล้วก็ชาวบ้านบันทีก็หลงก็กลัว เราเงินน้อยไปนะไม่ได้ทํากับเขาจะซื้อที่จรับที่ยืนในปรโลกรู้สึกจะร้อยกว่าบาทะ <c oughs> อะไรนี่ค้าดีกั้นไม่รู้ใครไปออกดีกาหลอกหลงอย่างนี้นซึ่งมาก <c oughs> แล้วโยมก็สาไปวิตกกังวลกลัวจะบาปพราแม่ทํานะะกลัวจะไม่มีที่อยู่ในสวรรค์ไม่ต้องไปห่วงหรอกครับทความดียิ่งไม่ต้องจ่ายค่างค์แล้วก็ยิ่งได้ดีมากกว่านั้ น, น <c oughs> ทานศีลภาวนาแล้วโยมลองดูกันแล้วกั น, นะ่ะศีลนี่ไม่ต้องจ่ายตังค์นะฮร ภาวนายิงไม่ต้องจ่ายตังใหญ่เลยแต่จ่ายกิเลสมากน่อยนั่นเองรักกิเลสมากหน่อ ย, อยปริมาณของกิเลสที่ละได้เป็นตัวกําหนดบุญนะให้จับประเด็นนี้เอาไว้นะฮะปริมาณกิเลสที่ละได้เป็นตัวกําหนดบุญว่ามากหรือน้อยไม่ใช่ปริมาณของวัตถุทีนี้ในการอีกที่ขอมากเกินไปเนี่ยอย่างที่ว่าเล่าเรื่องพระนันมาตะกี้ก็ตก อ, อย่างยังยังไม่จบจนถึงชาวบ้านในขวัญกระเจิง ันก็เจิงคือเห็นพระแล้วก็วิ่งหนีหนากเข้ามาเห็นโคยังวิ่งหนีเลยนะฮะเสียใครจะหวนพระหนังตะลุงแถวภาคตอยังเอามาตลกกันอยู่ในเวลานี้นี่เพราะอะไรเอ่อในเมืองไทยเราถ้าพูดกันโดยความเป็นจริงนะฮะโดยเฉลี่ยวัดเรามีทั้งสามหมื่นกว่าวัดแล้วก็มีกิจกรรมที่มีความจำเป็นอะไร ต, ะะไรต่างๆก็แต่ละส่วนนะก็เยอะพอดีก็ ปัจจุบันนี้ก็มีไอ้พวกที่เอาดีกาจริงมาปลอมดีกาต่อก็ <g ül> <g ül> มีเยอะด้วยก็เลยก็ทําให้มากขึ้นตั้งแต่ที่เรารู้เพราะฉะนั้นท่านท่านท่านไม่ต้องไปดูตรงอื่นเรามีกําลังศรัท ธ, ธามั้มีกําลังทับไหมในกรณีนี้นะฮะถ้ามีศรัท ธ, ธามีกําลังทับบริจาคได้ขนาดไหนก็ทําไปถ้ายัางไม่พร้อมก็ไม่บริจาคบุญอื่นเยอะไปไม่ไม่ต้องไปบริจาคทานครับชาวบ้าน ในปัจจุบันนี้จนถึงก็แต่งเป็นกรอนนะฮะกรอนรู้สึกว่ากรอนนี้จะแต่งที่สงขามาเคยเคยเขียนไว้ในที่หนึ่งนะฮะ บ, บ้านก็ขาดวัดก็กรูดพูดไม่ออกลิกาบอกบุญบ่อยไม่ค่อยไหวบ้านได้บุญแต่วัดได้ปัจจัยต่อเมื่อไหร่จะเลิกบุญพระคุณเอ่ยอันนี้มันเกิดมาโตไอคากรอนบทหนึ่งที่ออกจะแพ่หลายเหมือนกันวัดจะดีมีหลักฐานพระบ้านช่วยบ้านจะสวยก็พระวัดดัดนิสยัยบ้านก็วัดผัดกันช่วยยิ่งอวยชัยถ้ากัดกันก็บรรลยัยทั้งสองทาง ปกครอง น, นี้มันเริ่มแพร่หลายนะฮะกรนู้นก็กลับมาเลยกรณ น, น้องก็ย้อนสอนกันมาเลยก็เป็นการต่อสู้กันทางอากาศน่าดูประท้อมเกลอแต่แท้ที่จริงแล้วเราจะเห็นว่ามันเป็นหลงประเด็นกันหลงประเด็นกันในกรณีของทานนั้นไม่จําเป็นนะฮะได้เราพร้อมเราก็ทำให้พร้อมกันแล้วไปบุญนี้มีทุกคนทุกแข่งนะั้นแสดงความอ่อนน้อมต่อคนอื่นนั่งรถเมย์ขยับที่ยวคนอื่นก็ได้บุญแล้วนะฮะ ไม่มีอะไรมากนี่เห็นเศษแก้วทิ้งอยู่จะหยิบใส่ถังขยะเส้นหน่อยก็เป็นบุญแล้วเด็กแก่เล่นกลางทางถนนก ล, นลัวรถจะชนเราเราก็เตือนแก่เราก็ได้บุญแล้วบุญเยอะไปทำไมต้องไปห่วงไปใ ย, ยว่าต้องมีสตางค์มากหรือน้อยเพราะงั้นถ้าหากว่าในกรณีนี้เราจะพบว่าแม้แต่ว่าเป็นพระเองนะฮะถ้าขอมากเกินไปจะเป็นที่อิจฉาระอาใจของชาวบ้านะญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็เหมือนกันถ้าขอมากในที่สุดมันก็จะแตกกัน นี่ก็เป็นเหตุให้แตกมิตรสามประกาศออกแกาสากล น, นะฮะแล้วก็มีทุกหนทุกแห่งในฮิตโตประเทศก็มีในโลกกนิตก็มีกันในชาดกนี่ก็มีในพุทธาาศาสนสภาสิตมีหลายแห่งสามข้อนี้นะฮะเราจะทุกวันก็คงจะยังไม่มีข้อที่สี่นะฮะคงจะสามข้อนั้นอยู่นั่นเองส่วนขอบข่ายจะมีวิจิตพิสดารไปอย่างไรก็คงไม่เกินจากสามข้อนี้ไปประการต่อไปก็เมื่อ พระราชาท่านพยายามอ้อนวอนด้วยประการต่างๆพระโพธิสัตว์ได้ชี้แจงถึงความเสื่อมคลายในด้านจิตใจให้พระราชาทราบถึงการแสดงออกต่างๆเช่นเมื่อก่อนเคยจัดที่สําหรับรับรองไว้ดีแล้วต่อมาก็ไปลดสําหรับแล้วต่อมาก็ลดอาสนะลดอะไรลงมาเรื่อยอจจะโด้าวครุกรุกอะไรให้กินเนี่ย แ, แสดงว่ามันเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่เป็นมิตรสูงขึ้นซึ่งเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งเมื่อรู้สึกตัวแล้วเนี่ยควรจะถอยออก ไ ม, ม่ควรจะอยู่แล้วเพราะว่าการอยู่ร่วมกับอมิตรนะฮะคือคนที่แสดงความไม่เป็นมิตรหรือไม่มีความเป็นมิตรไม่มีความจริงใจเนี่ยก็ให้ความเดือดร้อนแก่บุคคลทั้งสองฝ่ายนะฮะฝ่ายนั้นเองก็ไม่สมหวังฝ่ายที่ก็มีความรู้สึกไม่เป็นมิตรต่อเราเองรู้สึกว่าเขาก็ไม่สมหวังฝ่ายเราเองก็ต้องหวาดระแวงไัยกับการอยู่ร่วมกับคนในลักษณะนั้นเออนี่ก็เป็นเป็นหลักที่ ยังนำมาใช้ได้แม้ในปัจจุบันคือถ้าเห็นว่าเขาเขาไม่เป็นมิตรนะฮะไม่เป็นมิตรจริงๆเราจะพยายามอย่างไรก็ตามแล้วเขาก็ยังไม่เป็นมิตรอยู่ก็ควรจะถอยควรจะหลีกตระโบราณเขาสอนให้หลีกไกลเสด้วยนะฮะตกลงว่าในที่สุดพระโพธิสัตว์ก็ต้องไปจนได้หลังจากพูดจาโตอตอบ ก, กันนานพอร่ำควรพวกอมาตถห้าคน ก็เกิดได้ช่องก็เต็มที่ตามประพฤตทุจริตช่อราดบางหลวงขูดรีดนาทาเร้นราชดอนตลอดเกยสุดนี้รู้สึกจะมันเป็นสูตรตายตัวเราค้นดูพงสาวดานประวัติศาสตร์ไม่ว่ายุคใดสมัยใดนะฮะมนุษย์ยังอยู่ในกลุ่มของสัตว์โลกที่ปลาใหญ่กินปลาเล็กสัตว์ใหญ่รังแกสัตว์เล็กอยู่อย่างนั้นนะผู้มีอำนาจก็จะรังแกผู้มีผู้น้อยอยู่ตลอด เพราะขาดตัวเดียวคือธรรมะนะถ้าหากว่ามีธรรมะเป็นหลักสําหรับบริหารสาหรับกลุ่มปกครองแล้วเราก็แก้ปัญหาเหล่านี้ได้แต่ถ้ายุคใดสมัยใดขาดแคลนธรรมะในหมูค่คนราษฎรก็จะเดือดร้อนมากกิ่งขึ้นถูกเบียดเบียนมากกิ่งขึ้นไม่ว่าในพงศาวดารไทยยิ่งพงศาวดารจีนแล้วน่าดูที่สุดเลยน่าอ่านมีแต่เรื่องอย่างนี้ฮะเรื่องซ้ำๆซ้อน ๆ, ๆเปลี่ยนแต่คนเปลี่ยนแตสถานที่แต่นั้นเองแต่ว่าการกระทาเหมือนเดิม ผลก็คือว่ากลุ่มผลประโยชน์จะพยายามสแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตัวเองแล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็จะประสบความเดือดร้อนจนถึงกัรล้มตายแตกแจก็คโ อ, อปรโยธเคลื่อนย้ายกันอย่างนี้ก็เป็นสูตรธรรมดาพวกอราัตทั้ง5้าคนเองนั้นยังไม่ค่อยมั่นใจในการกระทาของพระโพธิสัตว์ไอ้ น, นี้ก็เป็นวิธีการต่อสู้นะฮะประเพณีตีงูหลังหักงูมันมักทาร้ายเอาภายหลังนะฮะ เจอระคายถึงน้ําอีกกาลังเสือขังอยู่ในกรงก็คงไรนะ ก, ก็ก็มันก็เข้าสูตรเหมือนเดิมเพื่อนก็ก็คิดแบบเขาว่าต้องเอาตัดรากถอนโขดกันเลยเป็นความคิดของคนผ่านที่จะแก้โดยวิธีที่ผ่านกว่าซึ่งในทางคดีโลกนะฮะเราจะเห็นว่ามันก็แนวความคิดแบบที่อิสลามมาคิดฮนะตาต่อตาฟันต่อฟั น, ฟนไม้ต่อไม้แผลต่อแผลคือแก่ทำฉันเท่าไหรฉันก็ทำแก่เท่านั้นนี่ก็คือคือแนระดับหนึ่งของโลก แต่ตราบใดที่จิตใจของคนในโลกยังไม่ได้พัฒนาขึ้นการกระทําเหล่านั้นมาตรการเช่นนั้นมันจําเป็นสำหรับคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเขาต้องใช้อย่างที่เขาใช้กันอยู่ในอิรักอิรานอะไรแต่ไรเวลานี้นะฮะเราจะเห็นว่าอย่างอิสราเอลเนี่ยใครไปทําอะไรแก่และใคจะทําสองเท่าเลยเพราะว่าอิสราเอลนั้นถือศาสนายิวยิวเนี่ยไอสูตรเนี่ยตาต่อตาฟันต่อฟั น, นแผลต่อแผลเนี่ยครับเขาจะทําั้งมากกว่าเดิมฮะ มากกว่าที่อิสราเอลเช่นที่เรียว่าฆ่าเขาคนหนึ่งเนี่ยเขจะต้องมาฆ่าได้สองอย่างน้อยนั่นคืออิสราเอลก่อจะเป็นวิธีที่รุนแรงกว่าสมควรต่อมาเมื่อเห็นว่าจะปุโรยเอปริภาโชคอาจจะกลับมาอีกพวกเหล่านี้ก็วางแผนร้ายไปส่งเสริมยุยงผู้ใหญ่คือพระเจ้าแผ่นดินไอจุดนี้ท่านจะเห็นว่าเป็นจุด เป็นจุดที่ออกจะอะไรล่ะสากลอีกฮะคือผู้ใหญ่ที่ถูกค้อมล้อมมากเนี่ยพระ ก, กรันจะถ้าท่านไม่มั่นคงนะฮะแต่ถ้าถ้าท่านไม่มั่นคงเรามีเขามีเขาขำขำในเรื่องขำขนะฮะเป็นเกรดพง์สาวดารสมัยราชการที่ห้าราชการที่ที่สามะฮะราช ก, การที่สามท่านท่านปรารถนาเป็นพระโพ ธ, ธิสัตว์เพราะงั้นท่านจะปฏิบัตินิ่มนวลมาก เราจะพบว่าราัชการที่สามหลังจากเสวยราชแล้วจะไม่ประหารใครนะไ ม, ไม่ไม่ไม่ทําทำอันตรายใครนอกจากก่อนก่อนสวรรคตเนี่ยหมองกระสอนโดนกันหน่อยเพราะมันก็สาหัสสากัรจริงๆเพราะท่านท่านท่านบเพ็ญโพธิสัตว์บา ร, รมีมีวันหนึ่งมีพระไปบินธบาต ท, ที่จริงพระก็ไปบินทบาตธรรมดาแต่ก็มีบางมีมีบางวัดบางองค์นะฮะ ไปคออยู่ในวงังก็ว่างๆไม่รู้จะทําอะไรก็เอาตะกร้อใส่ ย, ยาวยอด้วยก็เลยเตะตะกร้อคนก็ไปฟ้องในการที่สามในการที่สามว่าเฮ้ยเจ้ากู้ท่านจะสนุกว่างช่างเจ้ากูเ้เถอะนี่คือคือคื อ, ค, อ, ค, อคือไม่เอาไอ้เรื่องปลีกย่อยมาทําให้เป็นเรื่องใหญ่แล้วครั้งหนึ่งในราชการที่ห้าเสด็จเนี่ยฮะแถวไอ้คลองพดุงเนี่ยไปเจอพระวันหนึ่งเล่นว่าวอยู่ พอดีอะไรก็เรียกเจ้ากรมธรรมการสมัยนั้นนะฮะไปไปด้วยโดยเสด็จไปด้วยทั้งทั้งก็ต้องการจะเอาหน้านะฮะบอกว่าอู้พราเดีนี้ไม่ไหวเล่นเว้าไง่ายชาวบ้านพวกง่ายชาวบ้านในการนี้อาหารมารับสั่งมันก็ดีกว่าพ่อมึงอ่ะคือนี้คือต้องการจะตัดปัญหานะฮะต้องการจะตัดปัญหาคือพระกันไม่เบาพ ร, ระกันจะไม่เบากับไอ้ปัญหาปีกย่อยต่างๆนี่แสดงถึงไอ้ความมั่นคงภายในจิตใจ ข อ, ของผู้บริหารแต่ทีนี้พระราชานั้นท่านจะเห็นว่าเป็นคนที่หูเบาไอ้คนหูเบาที่จริงมันเบาด้วยกันอยอย่าลืม่าจุดอ่อนของคนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะฮะจุดอ่อนของคนนี่ยอยู่ตรงไหนอย่างอะไรเขาบอกว่าประธานาธิบดีรูดเวนนะฮะหนังสือพิมพ์เขียนการ์ตูนด่าล้อเรียนสารพัดแต่ไม่โกรธเลยหนังสือพิมพ์ก็หาจุดอ่อน พระธานเนี่ยท่นดีรุดเวนในจุดอ่อนมันอยู่ตรงไหนพระโกนว่าจุดอ่อนอยู่ที่ลูกหมาลูกหมานั้นซื้อพิมเขียนด่าวิจารหมาประโกรธโกรธด่าเมียก็ไม่โกรธฮะด่าถึงโคตรง่าวก็ไม่โกรธ ด, ด่าท่านเองก็ไม่โกรธพอด่าหมาท่านโกรธเลยโกรธเลยนี่คือจุดอ่อนของคนเพราะงั้นพระราชาจุดอ่อนของท่านนั้นคือกลัวจะไม่ได้เป็นพระราชา ผู้อมตเหล่านั้นก็เอาจุดนี้มาเป็นจุดอ่อนเพราะไอ้อการสังเกตคนเนี่ยการสังเกตค น, นเราเราต้องพบว่าคนนี้มันจุดอ่อนอยู่ตรงไหนเช่นสมมติจะจะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ฮะบางคนจุดอ่อนอยู่ที่ทอสอบางคนจุดอ่อนอยู่ที่หลังบ้านบางคนจุดอ่อนอยู่ที่ท่านเองไอ้ลาบสการะเครื่องเพชรเครื่องพลอยอะไรอะไรก็เอาไปนะมันก็หาทางเจอจุดอ่อนจะได้จุดอ่อนของคนจึงอยู่ที่เมื่อกล่าวโดยสรุป ก, ก็คือรูปเสียงกินรถโัวตาฟานี่อะไรคือจุดอ่อนของเขา มันจะไม่เกินห้าอย่างนี้จุดอ่อนของคนนี่แต่ว่าไอ้รายปรียย่อยเราก็ต้องศึกษาไปดูเขาอยู่ในจุดไหนอย่างที่เคยเล่านี้ให้ทานไอน้นิทานให้ฟังเรื่องหลวงตาที่บวชแล้วยัไม่ศึกนะฮะไอ้อ้างลูกจะแต่งงานก็ไม่ศึกอ้างคนจะมาซื้อนาก็ไม่ศึกอ้างคนจะมาซื้อวัวก็ไม่ศึกไม่ศึกทั้งนั้นเลยพออ้างว่าแม่จะแต่งงานแต่นั้นเองสั่งตัดผ้าทันทีเลย <S <S นี่สแสดงว่าจุดอ่อนอยู่ที่เมียนะการาันว่า ก็ต้องกานเราต้องหาจุดอ่อนให้ได้พระราชานั้นจุดอ่อนอยู่ที่ราชสมบัติคือกลัวจะไม่ได้เป็นราชสมบัติเพราะเออกลัวจะไม่ได้เป็นพระราชารกลัวจะลดสถานะดังนั้นท่านทั้งหลายเห็นว่าเอ่อเรียกว่ายิงทุกทิศทางยิงจุดเดียวเท่านั้นเองพอเสร็จแล้วเขาก็อ้างพระเทวีอ้างว่าพระเทวีนั้นไปสมรู้ร่วมคิดกับปริภาชกเพื่อเพื่ออะไรท่านถามนะสอบถามเพื่ออะไรเพื่ออะไร บอกว่าข่าวว่าจะปรงพระชนพระองค์แล้วจะแย่งราชสมบัติรวมมือกับพระเทวีขนาดว่าคู่ชีวิตมีลูกเต้าใหญ่โตทั้งสีองค์แล้วนะฮะมีพระเจ้ารสตั้งสี่องค์้วเป็นผู้ใหญ่แล้วด้วยพระเทวีก็คงจะพระชนมากแล้วนะฮะก็มีลูกเป็นผู้ใหญ่แล้วท่านยังพวกนี้น้มน้าวจนท่านสั่งฆ่าพระเทวี นี้เพราะอะไรเพราะกลัวตัวเองท่นอมตัวเองคนคนเราถ้าพอเห็นแก่ตัวมากแล้วจะท่นอมตัวเองมากอะไรพอกระทบตัวเองจะต้องพร้อมจะทำลายทุกสิ่งที่มากระทบตัวเองนั่นคือคือคือจุดบกพร่องในทางจิตใจท่านทั้งหลายลองสังเกตวันนี้มันเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากการการทานอมตัวมากไปถ่านอมตัวของบุคคลเหล่านั้นบางคนอย่างพวกข้าราชกา ร, รก่อนเกษยียณเนี่ย ถนอมตัวมากกลัวจะพลาดกลัวจะอะไรพวกนี้เสนอหนังสือเซ็นแล้วกองเป็นกระตักกตักไม่กล้าเส็จไม่กล้าอนุมัติไม่กล้าผ่านกลัวจะตกหลังมางานแล้วเกิดจะงักเพราะไอ้ข้าราชกา ร, รเกษียณที่ปลอดนมีเยอะนี่คือความกลัวจุดอ่อนของแกเหมือนกันนะฮะจุดอ่อนกลัวว่าจะถูกปลดจะไม่ได้รับบําเหน็จบํานาญกลัวเวลาแกนน์นราชาก็กลัวในจุดนี้นะต่อมาก็ถึงก็ฆ่าพระเทศไคือหน้ามืดนะฮะ เป็นความโลกความหลงจนหน้ามืดเมื่อมองใครมาเป็นศัตรูก็พร้อมที่จะทำลายแม้แต่ปฏิวีของตัวเองต่อมาพระราชโอรสสี่พระองค์รู้ข่าวคราวนี้มันลือนะฮะลือแพร่สะพัดไป ร, ราชาโอรสก็โกรธตั้งป้อมเลยซ่องสูมกบลบังคนจะเล่นงานพ่อแหละฮะถ้พอดีก็ท่านโพธิดาบด้ย โปที่ปริพาชกท่างก็รู้ก็คิดจะมาจะมาอบรมสั่งสอนคือแก้ปัญหาให้แล้วเวลานี้ใครแก้ไม่ได้นะหน้ามืดหมดแล้วเพ ร, วพระราชาจะโอรสนั้นเราถือว่าพ่อนั้นคนเราพวกกับตัวเองแล้วแม่ทั้งพวกเดียกันตายแล้วพวกอมมาท่าหคนนั้นไม่จะพวกดังนั้นคนที่จะรู้สึกเป็นพวกก็คือปริพาชกควายพระราชาเองเมื่อทำไปแล้วเกิดสํานึกเสียใจ ลูกซึ่งเป็นที่รักเกิดตั้งป้อมเป็นศัตรูก็มองกลับไปกลับมานี่ก็เพราะว่าตัวหลงเชื่ออมาดและข้าพระเทพีท่านเองก็ชักเพลงนะฮะไม่มีใครจะเป็นเรื่องยึดเนี่ยแล้วก็นึกถึงพระดาวด์อ่ะเออปริพาโชคทีนี้เพราะฉะนั้นคนที่จะข้ามาได้เรืนี้คือข้ามาได้คนเดียวเท่านั้นเองปริพาโชคไปปริพาชคท่านวางแผนดีอย่างที่บอกว่าท่านท่านท่านทำไปขอหนังลิงนะฮะก็หนังลิงมาเอาพาดบาบ้างเอาโวกหัวบ้างเอานุ่งบ้างเอา ทำรองเท้าบ้างเพื่อต้องการเอามาใช้ก็เรียกว่าเป็นอะไรเป็นปเป็นสำนวนโวหารที่จะพูดถึงเรื่องหนึ่งแต่ให้กระทบเรื่องหนึ่งแต่ที่จะพูดตรงๆมันก็พูดน่าน่าเกลียดนะฮะเลยก็พูดเรื่องลิงไปเลยพูดเรื่องลิงก็คลการ น, นิทานเนี่ยนิทานต่างๆที่เขาเล่าเรื่องสัตว์พูดได้อะไรต่ออะไรเนี่ยคนสมัยนี้แม้แต่เด็กๆนักเรียนนักศึกษาสมัยนี้ไม่เชื่อประเด็นว่าสัตว์พูดได้ แต่ท่านทั้งหลายลองสังเกต ด, ดูฮะเด็กแกเชื่อนะฮะถ้าคนร่างบอกกษัตริย์พูดได้ญี่ปุ่นบอกไออะไรล่ะโดเรมอนอะนะไงพูดได้แมวพูดได้เด็กก็เชื่อแต่ถ้านิทานที่เราเล่าจากศาสนาแกจะไม่เชื่อที่จริงเราเราตรงนั้นเราไม่ใช่ประเด็นประเด็นว่าสัตว์มันพูดยังไงนะฮะไม่ใช่ประเด็นมาพูดได้หรือไม่ได้ประเด็นมาอยู่ที่เราพูดยังไงเป็นคําคมเป็นภาสิตหรือไม่นะฮะอันนี้ก็เป็นคติธรรมได้ แต่เราก็ไปเอาประเด็นปีกย่อยเข้ามาขัดขวางโอกาสที่จะศึกษาเรียนรู้ของตัวเองไว้เพราะงั้น เ, เรื่องชาดกซึ่งเป็นเรื่องดีๆจึงถูกทอดทิ้งไปแยะเลยเวลานี้ทางกรมวิชาการกาลังรื้อฟื้นชาดกขึ้นมาจะให้เด็กเรียนชาดกกันพระบพิสัตว์ถ้าก็มาถึงแสดงให้เห็นว่าพวกนี้ไม่สำคัญสาคัญอยู่ที่มีผู้ผู้มีอุปกรณ เพื่ออะไรเพื่อเพื่อเพื่อดึงในความสับสนทั้งหมดภายในความคิดนะตั้งแต่ละคนนีให้มาอยู่ในจุดเดียวแล้วจะเข้าไปสู่ประเด็นที่ท่านตั้งเป้าเอาไว้ท่านบอกว่าลิงนี่มันดีนะมีอุปกรคุณต่อท่านให้เนื้อท่านกินนะฮพูดไปพูดมาคล้ายๆก็ท่านฆ่าลิงเองนะพูดเป็นทำนองคล้ายๆอย่างนั้นให้พวกให้พวกห้าคนนี่ฟังเพราะท่านต้องการจะกำราบพวกห้าคนนี้เมื่อกำราบพวกห้าคนนี้ได้แล้วก็ ดึงพระราชาออกจากเชือกผูกมัดไดเ้เสร็จแล้วไ อ, อ้ก็เริ่มมาจากอะไรอเหตุตุกตะวาทะนะฮะคนเหตุกตะวาท ะ, ะาาาที่ถือว่าสิ่งทั้งหลายนั้นไม่ได้มีเหตุอะไรไม่ได้มีเหตุมันเกิดขึ้นเองมันเป็นเรื่องของความบังเอิญเท่านั้นเองบาปบุญก็ไม่มีพระโพธิสัตว์ก็สอบถามคนนี้เป็นพระโพธิสัตว์นะฮะก็เรียกพระโพธิสัตว์ก็ได้จาง่านดีพูดง่ายดีท่านก็ถามว่า เนื้อเธอมีความเห็นอย่างนี้ก็แสดงว่าบาปบุญไม่มีและเธอหัวร้อยยอะฉันที่ว่าไปไปฆ่าลิงเนี่ยเธอเอาเหตุอะไรมาหัวร้อในเมื่อเธอว่าบาปบุญมันไม่มีแล้วไม่มีมมเหตุอะไรเหตุความสุขความทุกข์ก็ไม่มีเพราะงั้นการฆ่ามันก็จึงจึงไม่ได้บาปอะไรในความเห็นของเธอนะอันนี้ก็จนนาํานวนแพ้ไปคนหนึ่งต่อมาก็มาถึงคนเกรียกว่าไรอิสระวาทีนะ อิสระวาทีที่ถือว่าไอ้สรรพสิปปส่งทั้งหลายนั้นเกิดจากการบันดาลของพระเจ้าไอพ้พฤติกรรมต่างๆของมวลมนุษยชาตินั้นเป็นการบงการของพระเจ้าคือทําตามคําสั่งของพระเจ้าเพราอนี้ยืนยันวาทะแกก็ย้อนกลับเลยแกบอกอถ้าอยังงั้นไอ้ที่ที่เือว่าฉันฆ่าลิงเย ก, ก็ไม่บาปอะแสดงว่าฉันทำตามคําสั่งพระเจ้าฉันควรจะได้บุญนะไปควรจะได้บุญนะเพราะว่าปฏิบัติตามคําสั่งของพระเจ้าพระเจ้าบอกให้ฆ่าฉันก็ข่าฉันก็ทํา ในสุดอันนี้ก็แพมาถึงปุเพกะตะวาทีนะฮะปุเพกะตะวาทีซึ่งหมายความว่าอการกระทาทั้งหมดการกระทำทั้งหมดคือผลที่เราได้รับในชีวิตปัจจุบันทั้งหมดที่ว่าเนี่ยเกิดขึ้นมาจากอดีตเกิดเกิดเกิดขึ้นมาจากาเหตุในการก่อนคือการบันดาลของสิ่งเหล่านั้นข้อนี้พระโพธิสัตร์ก็ ถามเมื่อแกยืนยั น, ยนว่าการกระทําทั้งหมดคือหมายความว่าจะเป็นผลหรือการกระทําอะไรก็ตาม ม, มันเกิดขึ้นมาจากเหตุอดีตไม่ใช่เรื่องปัจจุบันพระโพธิสัตร์ถามว่าเธอมีความเห็นอย่างนั้นจริงเลยแกก็บอกมีความเห็นอย่างนั้นท่านก็ตอบว่าถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าอันนี้เป็นเป็นเหตุในชาติก่อนแสดงว่าชาติก่อนลิงตัวเนี้ฆ่าฉันมาแล้วมาถึงชาตินี้ฉันก็ฆ่าลิงไม่เป็นเหตุปางก่อนเท่านั้นเองอันนี้ก็จนนํานวน แล้วก็กำลาไปได้สา ม, สามคนนะครับแล้วต่อไปก็คืออเกริยาวาทีที่ถือถือไม่เป็นการกระทำถือไม่เป็นการกระทำไม่ไม่เป็นทักอย่างหนึ่งไม่ว่าอะไรก็ตามน ะ, ะเป็นเป็นเป็นคนมันก็ค่อยไปแล้วก็ค่อยจะบริสุทธิ์เองมัน ถ, ถึงุดถึงถึงจุดหนึ่งอย่างที่เคยบอกว่าเป็นวางแห่งก็เรียกว่าสังสารสุดชี คือคนเราเกิดเกิดตายตายตาย ต, าย ต, ายตายเกิดเกิดสักพักแล้วบริสุทธิ์เองเมื่อเป็นชั้นนั้นอาการกระทำนี้จึงไม่เป็นบาปตามความเชื่อถือของเขาเพราะงั้นเขาก็ไม่ควรจะหัวเราะเยาะแล้วก็มาคนสุดท้ายก็คือพวกอุเฉทวาทีนะฮะอุเฉทวาทีรละนัตถิกะวาทีเหมือนกันนะฮะก็ถือว่าไม่มีอะไรไม่สิ่งทั้งหลายมันก็ขาดศูนย์ไปก็จบสิ้นไป เมื่อท่านกำราบไอห้าคนนี้ได้แล้วท่านก็ชี้แจงให้พระราชาเห็นนะให้พระราชาเห็นว่าการที่ท่านต้องส่องสูงคบคนคบกับคนพานคลุกคล้าคลุกคลีกับคนผ่านี่เองที่ทําให้ท่านทําอะไรผิดทําลายมิตรประทุษร้ายมิตรแม้แต่สุนัข ก, ก็ไม่เห็นด้วยนะสุนัขโกนลยกะที่เล่าให้ฟังสุนัขต้องต้องไปเห่ากระโชคพระโพธิสัตว์แม่ข้า ว, วังซึ่งก็เตรียมข้าวไว้ไ่เห่ากระโชคไว้แม่ข้า แล้วจนฆ่าพระเทวีก็เริ่มมาจากอะไรเริ่มมาจากคบหากับคนผิดแล้วก็ถูกแนะนำสั่งสอนจากคนที่มีความเห็นผิดไปประชาชนเองก็เกิดความสำนึกเกิดความเข้าใจจุดนี้ท่านทั้งหลายจะจะพบว่าเป็นจุดที่น่าศึกษาอยู่ประการหนึ่งคือความเห็นทั้งห้านแนวนี้ไม่เคยหายไปจากโลก ไม่เคยหายไปจากโลกคนยังคิดหมุนบนกันอยู่ในเรื่องสีห์้านแนนี้ตลอดมาเลยแม้ในหมู่ชาวพุทธเราเองนะฮะแม้ในหมู่ชาวพุทธเราเองยังแยกไม่ได้ระหว่างพุทธกับรพราหมณ์ระหว่างพวกกับฮินดูน ะ, ะเราแยกไม่ออกเพราะอะไรเพราะเนี่ยเพราะว่าขาดการศึกษาที่มีระบบมาเลยเดี๋ยวนี้มีความคิดเลยไปจนถึงกับว่า นะแต่เราจะมีวัสนาบรมรมีธรรมหรือไม่ก็ไม่รู้นะลองติดต่อขอที่ดินเขาให้สามแห่งนะคือจะสร้างเป็นวิทยาลัยสอนศาสนาแก่ชาวบ้านเลยสร้างเป็นรูปวิทยาลัยสอนศาสนาแก่ชาวบ้านแต่มันมันมันม น, เ ป, นเป็นเรื่องใหญ่นะลองติดต่อขอวันก่อนนี้เขาก็ให้ทางวางแครนะให้ทางบางแคทางนครชัยศรี ก่อนเยสีเจสก็ไล่ที่บางแครนี่หาไร่แล้วก็ในวัดอีกสองแห่งก็นึกนึกว่าเรื่องเรื่องนี้ถ้าเราพูดจาอะไรกันให้เกิดความเข้าใจนี่น่าจะเดินได้ดูคราวๆนะฮะทั้งๆที่เราคุยเล่นๆกันอยู่นะฮะไม่ไม่จะคุยเล่นนะคุยจริงนะฮะแต่ไม่รู้จะทำได้จริงหรือเปล่าเพราะมันเรื่องใหญ่เอ่อ ความคิดในแนวที่จะปฏิเสธบาปปฏิเสธบุญปฏิเสธอะไรทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะจนถึงกับยอมรับอำนาจสูงสุดนะอำนาจสูงสุดคือพระผู้เป็นเจ้าที่เรียกว่าอิสระอิสระกระนะวาชนะีมีเห็นว่ามีผู้กระทําสูงสุดจู่เป็นการดลบรรดาลซึ่งก็แนวความคิดนี้ในสังคมไทยเราเมื่อก่อนก็ออกมาในรูปพรมลิขิตคนจีนก็คือแล้แต่ฟ้าดินแลแต่ค้าดินจะบรรดาล พวกาศาสนามีพระเจ้าก็นั่นเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเดียที่แก้ปัญหาประชากรไม่ได้นะอามาเิดไปคุยกับพวกสูตรถามว่าทำไมเกมีลูกมากนักหนาแล้วทารายได้มันน้อยเกยบอกว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าคือถ้าฮินดูนี่เขาเชื่อว่าใครมีลูกมากแล้วจะเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า เวลานี้จึงกลายเป็นเงื่อนไขที่ต่อสู้ทางการเมืองกันได้เป็นยุคที่จะต้องควบคุมวางแผนครอบครัวแล้วแต่ในขณะเดียวกันความเชื่อในด้านศาสนานี่มันฝังรากอย่างลึกมากเพราะฉะนั้นถ้าใครเอาประเด็นนี้เข้ามาไปทำเพนจะวางแผนครอบครัวเนี่ยเพื่อนหักประเด็นศาสนามาตีเอาตายเลยนะอินดีราที่ตกไปคราวก่อนก็เพราะประเด็นนี้ประเด็นสรรชัยแกไปชักชวนคนให้วางแผนครอบครัวแยกวิทยุไอ้สารทิเตอร์อลครึ่ง จา่วิทยุซานิเตอร์คนละเครื่องใครกลุ่มกําเนิดได้เนี่ยพอในที่สุดพอหาเสียงเข้าให้พวกนน้นพลิกประเด็นศาสนาขึ้นมาถือว่าสัญชัยสั่งสอนให้ทรยศต่อโค์งการของพระเจ้าคนก็มีความโน้มเอียงในทางนั้นเมื่อก่อนแกต้องทำเพราะแกอยากได้วิทยุนะฮะอยากได้วิทยุพอแกได้วิทยุแล้วเพื่อนก็พลิกกลับมาใช้เลยงายหลังเลยอินทิราตกกระปอตกตกบลลังไปเลยตกกระป๋องไปเลย ฟึ้งฟื้นขึ้นมาได้ในอินเดียวุ่นวุ่นวายอยู่นี่ ค, คือคือความฝังความฝังใจของบุคคลเหล่านั้นออไอจากแนวความคิดเหล่านี้เราจะพบว่าอย่างพวกเช่นเช่นสมมติว่าถือว่าปฏิเสธว่าบาปบุญไม่มีเหตไุไม่มีไม่มีการกระทำนะสิ่งตั้งหๆขาดศูนย์ไปเนี่ยมันก็แนวความคิดเัาก็ขัดแย้งกันอย่างว่าในแง่ของธรรมะที่พระโพธิสัตว์ท่านยกมาเนี่ยท่านบอกว่า บัณฑิตนี่กล่าวว่าบุคคลนั่งนอนภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ใดไม่ควรหักกิ่งของต้นไม้นั้นเระการกระทาเช่นนั้นเป็นการประทุษร้ายมิตรนั่นคือวาทะของบัณฑิตมันมีความละเมียดละไมนะฮะมีความละเมียดละไมซึ่งสังคมไทยเรารับอิทธิพลความเชื่อนี้มาสูงเห็นเมื่อก่อนแม้แต่วิ่งหลบขนที่บ้านใครก็จะไม่ปร่นไม่ประทุษร้ายคนนั้นแลกกินข้าวก็สักมือกินดื่มน้ําก็สักขันจะไม่ประทุษร้ายแล้วเมื่อก่อนเนี่ยนิมนว์ละมุดละไมนี่ก็คือแนวนี้ฮะ แนวแน ว, แนวที่เราอบรมบ่มนิสัยกันมาในในเรื่องเหล่านี้เรื่องความสำนึกขุนต่อมาพวกนี้ก็กลับบอกถ้าประโยชน์ของตนมีอยู่คือถ้าเราต้องการประโยชน์ให้ทําอะไรก็ได้กับต้นไม้เนี่ยถอดตัดรากถอนโคนตัดกิ่งรานใบอะไรอะไรทุกอย่างเพื่อเพื่อประโยชน์ของตัวเองเลให้ทําได้เพราะอะไรเพราะถือว่าบาปบุญไม่มีไ ม, ไม่ไม่ต้องไม่รับผลอะไรความกตันญูกะตะเวทีไม่มีอะไรทั้งหมดเลยก็ในที่สุด เป็นนั้นว่าพระราชาก็เข้าใจนะแล้วพระองค์ก็พระพระพธิราชก็เริ่มสั่งสอนถึงหลักการอยู่ร่วมกันนะฮะโดยสรุปก็คือว่าประการแรกให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรแต่มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันแล้วก็แสดงออกซึ่งความเป็นมิตรต่อกันไม่มีความหวัดระแวงเมื่อเรามอบหมายอะไรให้แก่เขาแล้วนะฮะถ้าไม่มีอะไรที่ประจักษ์แจ้งเกินไปเนี่ยอย่าไปหลงเชื่อคน าการที่สองก็เน้นไปในเรื่องของความเป็นผู้นำํำความเป็นผู้นําในความประพฤติก็ น, นี่แหละภาสิตธิสุดนี้ที่ท่านทั้งหลายเคยได้ยินได้ฟังบ่อยๆปรากฏในชาดกต่างๆแยะนะฮะเมื่อโคว่ายน้ําข้างฝากไปอยู่นะเมื่อโคว่ายน้ําข้างฝากไปอยู่ถ้าโคจากฝูงว่า ย, ายาโ ค, ยคดโคทั้งปวงก็จะว่ายโคทตามไป ตาโกจากฝูงไหว้ตรงโคทั้งหมดก็จะไหว้ตรงตามไปฉันใดในหมู่มนุษย์ทั้งหลายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันฉะนั้นผู้ใดได้รับสมมติได้เป็นใหญ่เป็นประธานในหมู่ในคณะใดถ้าบุคคลนั้นประพฤติอธรรมประพฤติทุจริตคนนอกนี้ก็จะประพฤติเป็นอธรรมประพฤติทุจริตตามไปด้วยแต่ถ้าคนผู้เป็นหัวหน้าเป็นใหญ่เป็นประมุขประพฤติธรรมประพฤติสุจริตคนนอกนี้ก็จะประพฤติธรรมประพฤติสุจริตตามไป นี่เราเราเราไม่ต้องดูอื่นไกลนะเอาแต่ภายในครอบครัวภายในบ้านภายในบ้านถ้าหากว่าพ่อแม่ซึ่งเป็นหลักคํายัน์บ้านอยูนะ่มีการประพฤติปฏิบัติการพูดจาการแสดงแรตไ ร, ตไรมีความเคลื่อนไหวต่างๆดีแล้วนะี่เรื่องลูกเราจะเป๋ภายในยากนอกจากว่าพ่อแม่ไปด่าให้ลูกได้ยินเองแล้วพอลูกด่าแล้วหาว่าลูกพูดคำหยาบนะฮะแต่ตอนพ่อแม่ด่าไม่ยอมพูดหยาบอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึง เพราะงนันไ อ, ไอ้ไอ้ความเป็นผู้นำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากมันจะต้องนำทั้งความรู้และความประพฤติด้วยบางครั้งบางคราเราอาจจะชี้แจงแสดงในด้านความรู้ได้แต่ว่าด้านความประพฤติเรานำเขาไม่ได้หรือบางครั้งในด้านความประพฤติเรานำได้แต่ว่าการจะให้ความรู้ความเข้าใจไม่ได้ไอ้อย่างนี้ดีกว่านะว่าจรจริงดีกว่าอย่างพระอาจารย์บางองค์ท่านไม่ได้แตกฉานอะไร แต่ท่านนำด้วยวิธีปฏิบัตินะพูดไปพูดมาสองสามคำเอานั่งภาวนาเอานั่งภาวนาพุทโตว่าไปเรื่อยเกือบก็ท่านพูดมากไม่ได้อธิบายนานไม่ได้แต่ว่าก็ใช้วิธีนำเอาซึ่งเป็นวิธีที่ในแง่ของความเป็นจริงก็ได้ผลมากกว่าเพราะคนได้แบบได้ตัวอย่างแล้วประการต่อไปก็คือการความไม่หูเบาเชื่ออะไรง่าย เรื่องเหล่านี้เป็นเป็นเรื่องที่น่าห่วงใหญ่มากในสังคมนะฮะวันก่อนเนี่ยมาถูกฟ้องไปถึงทําเนียบรัฐบาลยังนึกขำนะฮะแห่นึกขำมีคนผู้ใหญ่ไม่น่าเชื่อนะฮะแต่เราไม่ต้องออกชื่อเนาะก็ดูหน้าแกก็โง่ๆอยู่ฮะถึงมันใหญ่มาก็อภัยฮะแต่มันขำนะฮะมันขาว่าหนังสือเอกสารนี้เขาเขียนเนี่ยเขาลงชื่อไว้นะฮะเขาลงชื่อ แล้วก็บนนาคนคนที่เอามาลงในเขาก็เล่าความเป็นมาของสือนี้แล้วก็ลงชื่อคนที่เขียนก็ลงชื่อลงนามเจ้าคุณที่อยู่เสร็จเลยนะคนหนึ่งผู้หญิงเป็นคนหญิงพูดขึ้นในที่ประชุมนะฮะแม้ดิฉันแทบช็อกเลยดูที่ท่านเจ้าคุณโสพลท่านว่าเข้ามาได้อย่างนี้ไม่น่าว่าเลยไอตัวหนึ่งเป็นประธานในท่านใหญ่เบ้อเริ่มเทมเลยรับมาถึงโอ้มานี่ น, นี่คุณดูติคุณดูท่านเจ้าคุณโสพลไม่น่าจะพูดอย่างนี้เลยท่า น, นพูดได้ เขาบอกไว้เสร็จนะที่จริงใครเป็นคนพูดใครเป็นคนเขียนมาจากไหนนี่เขาบอกเสร็จหนังสือแล้วพูดกับมันได้เป็นตุเป็นตะเป็นทุกคุณหญิงแล้วเสียดายเหรียญฐานันเลยกันกคือนี่มันมันมั น, ม, น, ม, นมันตื้นกัน่ะเนียมันตื้นเขินกันะเนียว่าหลักฐานเนี่ยมันมีอยู่ เพียงแต่ว่าคนที่บอกนั้นนะคนมาฟ้องนี่ก็แน่นอนแหละเขาก็ไม่ชอบเราพวกปีติเขาบมาฟ้องก็ว่าอัตมาว่านะมันมันกรตีคนอื่นมันก็เล็กไปน่อยมันตีตัวโตวหน่อยมันดังดีนะก็เลยเลยไอคนเรามันเออรับมาแล้วท่านว่าจริงเงาเปล่าลองอ่าน ด, ดูเถอะอ่านแล้วนะว่าที่จริงอ่านแล้วแล้วก็รู้ด้วยแล้วในในหนังสือนั้นทั้งเล่มนะอามาไม่มีชื่อแม้แต่ตัวเดียวเลยแล้วหนังสือก็พิมพ์กันที่ไหนก็ไม่รู้ด้วย เอากันเป็นเรื่องเป็นราวฟ้องไปถึงทำเนียบรัฐบาลนะแล้วัางกรองมาก็เข้าไปอบรมในทำเนียบรัฐบาลเขาก็ะจายเครื่องขยายเสียงไว้ทุกข้องแล้วก็พูดเรื่องลักษณะของผู้ที่จะทํางานรับใช้ชาติบ้านเมืองคือหูเบาอย่าหูเบาหูเบาแล้วเสร็จนะคนเราจะจะไม่มีหลักเกณฑ์อะไรเลยในการใ น, ในการทำงานยิ่งงานใหญ่ยิ่งหูเบาไม่ได้ยิ่งต้องสุ ข, ขุมต้องคิดหลายชั้นนะ ต้งคิดหลายชาั้นบางครั้งบางคราวเรามองปัญหาอะไรในแง่เดียวในมุมเดียวนะอย่างนี้ฉันจะได้ได้ได้ได้ได้ไยแต่ไม่ได้มองอีกมุมหนึ่งว่าเรามีอะไรจะเสียบ้างไหมซึ่งในแงๆของการทํางานนั้นมันมีเสียมีได้อย่างที่เคยบอกว่าเราหายใจเข้าก็ได้หายใจออกก็เสียแต่ว่าถ้าเสียกับได้มันสัมพันธ์กันชีวิตเราก็อยู่ได้แต่ถ้ามีแต่เสียโดยไม่มีได้หรือได้โดยไม่เสียนะฮะก็ตายทั้งนั้นแหะก็ไม่ว่าอะไรดังนั้น การคิดจึงต้องมองรอบด้านพระพุทธเจ้าทรงใช้คําคําหนึ่งนะฮะไพรมากก็เรียกว่าการณวะสิโกการณวะสิโกอยู่ในอํานาจแห่งเหตุนะอยู่ในอํานาจแห่งเหตุจะทําอะไรจะต้องโยงเหตุแล้วยงผลยงเหตุยงผลแล้วโอเหตุโอผลต่างๆมาบวกลบกูนานกันดัก็เรียกว่าอะไรประเมินประมาณนะฮะประเมิน ประมาณสถานการณ์ประเมินผลอะไรเนี่ยประเมินผลนั้นประเมินผลหรือประมาณสถานการณ์นั้นคือเราเอาบวกลบคูณหารแล้วว่าจะผลไม่จะออกมาอย่างนั้นก็ได้มากกว่าเสียเรวก็ทําถ้าเสียมากกว่าได้ก็ไม่ทำํำก็เท่านั้นเองนะเพราะว่าจะให้ได้ด้วยประการทั้งปวงนั้นเป็นไปไม่ได้แต่เราก็ต้องต้องเอาให้มีผลได้มากกว่าผลเสียเราจึงจึงทำทีนี้ถ้าหากว่าผู้ใหญ่หูเบานะ ยังยังเป็นเป็นเป็นเรื่องที่ออกจะแปลกนะฮะมาเองยังแปลกใจตัวเองอยู่ทุกวันนะคล้ายๆตัวเองเกิดในสงครามกรุงตอนตอนกรุงแตกก <c ười> ็มีความรู้สึกมาตั้งแต่เป็นเด็กเลยพ <p are> อพูดสงครามกรุงแตกเนี่ยมาเห็นเป็นภาพหมดเลย <c ười> ไม่รู้เป็นไงฮะมันมีความรู้สึกมันไส้ไอ้พวกกร็ดเกร็ดจนในวังนะฮะจนทุกวันเนี่ยคือคือคือคือท่ายพวกนี้ไม่จุนจ้านแล้วเนี่ยมันกรุงไม่แตกนะฮะกรุงไม่แตกแต่พวกนี้มันจุนจ้านมากเกินไปเลยกรุงแตกเลย เอ่อเพราะอะไรเพราะพระเจ้าเอกทัศน์หูเบาที่นั่งสุญามารินตัวเองก็ขี้เรือนอยู่แล้วใจขี้เรือนด้วยก็พอดีนี่ก็คืออะไรฮะผู้บริหารที่ไม่มีหลักใจเบาหูเบาหูจะต้องต้องไม่เบาจะต้องหนักแน่นฮะแล้วจะต้องมีการช่างตวงต้องคิดไม่ใช่ว่ า, วาอะไรแล้วกระดุษ กระโดดจับโครมทันทีเลยฮะแกว่าจริงหรือเปล่าต้องสืบสวนดูให้ดีก็พูดจริงหรือเปล่าทําไมเขาจึงพูดนะฮะทำไมเขาจึงพูดอย่างประเด็นนี้ก็เหมือนกันนะฮะก็มีเวลาเขาพูดมาแล้วเขาส่งข่าวมาเขาบอกว่าเขาว่าท่านจะคุณว่าบอกเอานะอาตมาว่าไม่ว่ากับชาวพูดว่าก็แล้วกันรับเองแต่ให้ถามมาอีกทีทำไมเขาจึงว่าให้ลองถามตัวเองจริงว่าทําไมเขาจึงว่าอย่างนั้นสิ่งทั้งหลายมาเกิดมาจากเหตุนะลองสืบสาวปหาสมุทัยมันดูสิ ไอ้สมุทรทยมันอยู่ที่ไหนก็เลยเใครไม่กล้าสืบมันมีสมุทรไทยในะทุกมันจะเกิดขึ้นมา ล, ลอยได้ไงไม่มีสมุทรไทยอันนี้มันเป็นทุกข์ดีนะเนี่ยเราเราเราเป็นหลักที่ท่านสอนให้เห็นตัวอย่างพระเจ้ากรุงพาราณสีเนี่ยท่านหูเบาตลอดเลยหูเบานะอัมมานนั้นทั้งนั้น ท, ที่ท่านเห็นนะเขาเรียกว่าไม่รู้จักหลับจําไม่รู้จักหลับจํา ซึ่งอาการเหล่านี้ได้มีขึ้นในในบ้านในเมืองเรามากนะฮะระยะต อ, ตอนนี้ก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องปบจะมาเนี่ยมาก็มีส่วนรับไปไปไประชุมกันบางทีเราเถียงกันประเด็นเดียวเนี่ยสองชั่วโมงเลยคือทางโลกนี่เขาต้องการเอาโปบมาให้ได้ช่วยชูปบโดยไม่ได้คิดถึงพุทธศาสนาเลยเลยใครเราก็ต้องปอกป้องเราพุทธศาสนาไว้เต็มที่แตก่ก็กดดันรอบทิศทางก็น่ารู้นะครับ ว่าจะผ่านไปแต่รับประเด็นประเด็นเมื่อวานก็เครียดใหญ่เลยเทียงกันคำเนี่ถ่ายทอดไม่ถ่ายทอดคือเขาจะให้ถ่ายทอดเราชี้ประเด็นให้เขาฟังว่ามันถ่ายไม่ได้ทําไมถ่ายไม่ได้เพราะว่ามันผิดจารีตผิดคนละจระิตริกันคนวัฒนธรรมนะโยมต้องนึกดูนะฮะว่าคนเข้าหาพระเข้าหาต้นเหตุภาษากราชนั้นต้องถวายความเคารพโอ๊บเขาก็ถือเขาก็หนึ่งเขาก็ต้องไม่ถวายความเคารพอันนี้ก็ชักยุ่งแล้วตอนนี้ถ้าภาพออกไปนะฮะ ภาพออกไปนั้นนั่นจะเสียทั้งสองฝ่ายทีนี้ถ้าป๊บเกิดความเคารพถ้ า, ายความเคารพเราไม่ไม่ไหวตอบเราเสียในสายตาคลิดนะแต่เราได้ในสายตาเราเราได้ในสายตาพูธแต่จะเสียในสายตาคลิดทีนี้พอป๊บจะจับมือเราไม่จับ เราเสียเราเสียในสายตาคริสแต่เราจะได้ในสายตาพุทธมันมีได้มีเสียแล้วก็เสียมากกว่าได้ทุกแข่งนะทุกจุดเราเชี้ยเขาดูนะฮะบุคคลวัฒนธรรมกันมันไปถ่ายทอดไปเผยแพร่ภาพเหล่านี้ไม่ได้แล้วใครจะไปตามมาอธิบายกันทั่วโลกอะ่ะก็ถ่ายทอดทั่วโลกนะวันนั้นอะ่ะเขาบีบกันมาจากข้างบนนะบีบกันจนเป็นทีวีพูนนะเนี๋นยวนี้เราคงจะออกกันทั่วโลกออกกันวันนั้นมาถ่ายทอดที่ออกไปทางเอราวันเนี่ยเราจะถ่ายทอดกระจายไปเข้าวาติกันนะกระจายไปทั่วโลก วันภาพนี้เราไม่ให้ออกเพราะออกแล้วเราจะถูกลบในต่างประเทศถูกมองเอ๊ะพระสงฆ์ไทยนี่ทําไมไม่ขนาดปุ๊บยังไม่ยอมยกมือยังไม่จับมือด้วยเราจับมือไม่ได้มันกนลวัฒนธรรมกันนี้พระจับมือได้ที่ไหนหรอนี่คือคือปัญหาที่เขาไม่ยอมเข้าใจเราเขาไม่ยอมเข้าใจเขาไม่ยอมรับวัฒนธรรมเราก็าจะเขาจะเอาอย่างที่เขาต้องการเอาฮนะเราก็ไม่ให้อย่างที่เขาต้องการเอาแล้วก็เถียงกันไปเถียงกันมาในประชุมกัน3าครั้งในเรื่องป๊บนี่เดียนนี่ไ ไจุ่มกันสามครั้งจุ่มกันพอลงไปเสร็จอกก ด, ดันมาจากข้างบนอีกเอาต้องไปชุ่มใหม่อีกนี่คือปัญหาที่เรามองให้เห็นว่าผู้บริหารบางทีนั้นไม่ใช่หูเบานะแต่ไม่รู้เรื่องนะมันมีโบราณเนี่ยท่านบอกว่าไม่รู้ไม่ชี้ดีนักไม่รู้ไม่ชี้ดีนักรู้จักใช้ดีฮนะไม่รู้ดันชี้นี่ยุ่งนะไม่รู้ชี้แล้วก็ยุ่ง รู้ไม่ชี้ก็ยุ่งแต่รู้แล้วก็ต้องชี้นี่คือือคนมันก็สี่ประเภทประเภทเวลาเนี้ยไม่รู้ดันชี้นะฮะไม่รู้แล้วดันลงมาชี้ไอ้คนรู้เลยไม่ยอมชี้เลยคนรู้เลยไม่ยอมชี้ไม่ต้องการจะไปวุ่นวายกับเขาเลยไม่ยอมชี้ก็มีคนอยู่สองพวกเับเวลาเนี้ยไม่รู้กับชี้นะฮะไม่รู้แล้วก็มาชี้กับคนรู้แล้วก็ไม่ยอมชี้ บ้านเมืองก็เลยก็ประดับประเดิกกันใหญ่ทีนี้ถ้าเราปฏิบัติว่าถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่ชี้อะไรเรารู้เราชี้อะไรเราไม่รู้เราก็ไม่ชี้กระทานั้นก็พอแล้วนะพูดเข้าใจกันได้ทีนี้เขาพยายามที่จะคิดว่าเขารู้ไปเรียทุกอย่างแลวเขาต้องชี้ทุกอย่างเมื่อวานก็นี่ฮะประเด็นเดียวประเด็นเนี้ยเทียงกันอยู่ได้สองชั่วโมง อามาก็ษกุลราชว ร, รมณีก็ต้องปั้นหนึบ ก, กําลังกันเลยมนเมื่อวานนี้ต้องปั้นหนึกกาลังนั่งติดกันปันหนึกกาลังกันเลยก็มีทนายธิบดีของการศาสนาเราก็ยันกันอยู่สามคนเราก็เราก็ผ่านได้ตกลงให้จับภาพได้ไม่เกินห้านาทีในขณะที่คุยกันฮไม่ให้จับภาพตอนพบไม่ให้จับภาพตอนลาเพราะตอนลาเราเราจับไม่ได้นะพอส ม, ส ม, ส, มสมเด็จพระสันตปลาลลาเนี่ยเราเรา เราไม่ยอมลุกสงเราผิดใช่ไหมเราผิดในสายตาคริตเราถูกในสายตาพุธเราถูกลบในสายตาคฤิสโอ้ยมันเรื่องมันไม่ใช่เล่นง่ายๆนะเรื่องอย่างเงี้ย ม, ม, มันมันในด้านความรู้สึกแล้วเราชาวพุทธเราทั่วโลกเหมือนกันชาวพุทธเราเห็นไม่จชปมาผ่านถ้าเข้าสายตาคตริสไปหนก็ผ่านสายตาพุทธด้วยพุทธจะมองด้วยความดูหมิ่นในใ น, ในกรณีที่เราเสีย เลยมาสรุปให้ฟังว่าคราวนี้เรามีแต่ขาดทุนฮะมีแต่ลบกัดเสมอตัวแต่จะไม่มีโอกาสเสมอตัวคือลบมากหรือลบน้อยแต่นั้นเองจะไม่มีโอกาสเสมอตัวเลยดัยงนั้นไ อ, อ, อ้เรื่องเหล่านี้มันต้องคิดกันให้รอบคอบตัวอย่างพระราชาเหล่านี้ท่านพระความไม่รอบครอบของท่านนี้ท่านเสียมาตลอดเสียแม้ต่จนมาเหสีคู่ทุกคู่ยากก็เสียและกำลังจะได้ลูกชายที่เป็นเดชรูดดย้ย ในที่สุดเมื่อตกลงพูดจาชี้แจงอะไรกันพอสมควรแล้วนะฮะพระชาท่านก็เข้าพระทัยท่านก็ต้องไปประสานฝ่ายนึงไปประสานฝ่ายหนึ่งกฤษราศโอรสเตรียมกองทัพแล้วนะราโอรสเตรียมกองทัพแล้วจะบุกเมืองแล้วก็ต้องไปประสานฝ่ายนึงเพื่อบอกไม่ให้ลูกทํากรรมเพราะฆ่าพ่อนี่ย ไ, ไม่ได้มันบาปหนักก็ตักเตือนสั่งสอนพระราศโอรสก็ยอมพ่อก็ยอมขมา ยอมสารภาพความผิดในสุดทางนี้ก็ไปนีมนตน้อมกันปัญหาไว้ตัวแสบห้าตัวนี้จะทำไงดีก็ตกลงว่าพระราชาเมื่อก่อนก็เอาแรงจะฆ่าหมดเลยพระพธิสัตว์บอกไม่ได้ไม่ได้ ไ, ไดปฆ่าคนมันบาปมันฆ่ามาแล้วมันก็บาปแล้วทำไ ม, า ม, า ม, า ม, ามจะต้องฆ่าเพิ่มก็ทําไมก็ต่อรองกันมาเรื่อยนะฮะต่อรองกันมาเรื่อยเต็่พระโพธิสัตย์ยอมจุดเดียวนะฮะยอมให้เพียงเตวโกนหัวประจาย์แล้วก็ไล่ออกจย่างเงือน ก็ยอมไม่ทำได้เท่านั้นก็ตกลงว่าไม่ต้องสร้างบาปเพิ่มประเด็นที่น่าศึกษาอยู่ก็คือตอนที่ทรงสรุปชาดกนะครับสรุปชาดกในตอนสุดท้ายพระชาองค์นั้นก็คือมาเป็นภิกษุที่ตัวต้นเรื่องนะแล้วก็ห้าคนเนี่ยมาเป็นคณาจารย์ใหญ่สมัยรุธเจ้าตั้งห้าคนเลย คนแรกก็คือบุรณะกัจสปะมะคคัลยโคสารปักุท ธ, ธกัจจายนะแล้วก็อาชิตเกสกรมพลนิครนาตวุฒิคนหลังคนหลัง อ, เ อ, อุเฉตตกาวาทียนะอุเฉทตะวจีคือตัวขาดศูนย์นั้นคือนิครนาตวุตรที่มันแปลกคืออะไรคือฝังจิตสันดานหมดเลยฝังจิตสันดานท่านทั้ง5 น, นี้มาความคิดอย่างเหมือนเดิมความคิดในสมัยของพระพุทธเจ้าเป็นคณาจารย์เขาเรียกครูทั้งห กูต้องหกขาดสันชัยไปคนหนึ่งสันชยัยท่านถ้าไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นเพราะท่านเพราะท่านมีวาทะแกว้งโดยเฉพาะท่านปากุท ธ, ธกจายนะกับท่านอาชิตเกศกมพลพระพุทธเจ้าได้เคยตำนิว่าเป็นความคิดที่ที่แย่มากนะฮะท่านเนี่ยที่ทรงอุปมาเหมือน้ากําพลทำด้วยผมมนุษย์ถือปฏิเสธบาป บ, บุญคุณโทษพ่อแม่หมดเลยไม่มีอะไรเลยฮะปฏิเสธหมดเลย ถือว่าคนเราจะได้ดีได้ชั่วนั้นก็ได้เองไม่ไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกระทําของคนแล้วก็ไม่มีบาปมีบุญอะไรเหมือนกับฟ้าผ่าต้นไม้ต้นฟ้าก็ไม่บาปเหมือนฝนรดรดน้ำต้นไม้ฝนก็ไม่ได้บุญอุปมาเลอะเทอะเข้าป่าไปเลยคนละเรื่องกันนะฮะชอบอุปมาคนละเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องแปลกมากแต่ว่าแปลกคนไม่ยอมคิดนะฮะทั้งทั้งแต่อุปมาอย่างนี้เราเห็นมันก็ขัดแย้งกัน เพราะการพูดถึงบาปบุญนั้นพูดถึงสิ่งที่มีจิตมีเจตนาเจตนาหังพิกเมเวกามังบดามิดูกอรพิสูทั้งหลายเรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมเพราะงั้นาการกระทําที่จะเป็นบุญเป็นบาปได้มันต้องมีเจตนาคือมีจิตแล้วก็มีความจงใจแล้ว ก, กระทําลงไปนะอะไรเป็นตัวเจตนาโลภะตัวสะโมหะหรืออะโลภะอโทสะโมหะเป็นตัวกระตุ้นเจตนาแล้วกรรมที่กระทํานั้นมีผลยังไงมันก็จำจะแน่ออกมาเป็นบาปเป็นบุญ แต่เวลาแกพูดแกพูดคนละเรื่องนะฮะฟ้ามันไม่มีเจตนาเลยนะมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติแล้วฟ้าผ่าฝนตกแดดออกอะไรต่อะไรนี่มันจะพูดบาปบุญกันได้เมันพูดคนละเรื่องกันนะแต่ว่าแปลกที่มีคนเคารพนับถือท่านเหล่านี้เหมือนกันนะฮะเคารพนับถือท่านเหล่านี้เหมือนกันปุรณกัดสปะนั้นไม่มีกฎเกณฑ์อะไรเพราะว่าที่จริงแกก็ไม่รู้อะไรนะฮะแกก็ไม่รู้อะไรแกก็เป็นในเพียงาธาตุนั้นเองคนหนึ่งแล้วก็เรียกปุรณะก็คือคนที่เต็มนะฮะ คนที่เต็มร้อยจือเป็นธาตุจานวนที่เต็มร้อยญาติเจ้านายถือว่าเป็นธาตุมงคลตัวเลขร้อยก็ถือเป็นมงคลเหมือนกับคนไทยชอบเลขเก้าเก้านะฮะต้เลขเก้าเก้าจะทําบุญส่งใบละร้อยขอทําบุญเก้าสิบเก้าาทคือต้องการเอากนะ้าเก้าอ่ะฮะไอ้เก้าหน้าบางคนละเก้ากันนะกับกับเก้าหนะ้า <laughs> เขียนก็ไม่เหมือนกันนะครับเสียงเหมือนกันนะ่นั้นเองแต่เราก็ชอบก็ชอบเก้าเก้านะพันหนึ่งก็ ออเส บ, บาทหนึ่งเพื่อให้ได้ให้ให้ได้ 99, อยากจะกล้ามากๆเอ่อพวกนี้ก็ถือเป็นมองคลในเลขร้อยก็วันหนึ่งท่านได้โอกาสท่านก็วิ่งหนีวิ่งหนีนายก็จับติดกระตุกผ้าผ้ า, ผาหลุดแล่แกก็วิ่งไปคนก็ตื่นเต้นนะว่าเป็นพระหันนะเพราะคนธรรมดาคือคื อ, ค, อ, ค, อ, ค, อคือโลกมนุษย์ให้เราสังเกตว่าโลกมนุษย์ไม่เคยหลุดจากพันธนาการเหล่านี้ คนที่เด่นที่สุดในโลกมนุษย์นั้นก็คือคนที่บ้องที่สุดกับคนที่เหนือมนุษย์ฮะ ค, คนทําอะไรพิเรนพิเรนที่สุดโอ้โหคนจะตื่นเต้นกันมากเลยนะฮะอย่างหลวงพ่อโอภาสีที่สมัยนั้นสมัยดังนะเขาถวายอะไร่ผอหมดเลยผอหมดเลยโยนหมดเลยโอ้ตื่นเต้นกันใหญ่เลยหลวงพ่อโอภาสีนั้นทําอะไรผิดมนุษย์ครับแล้วคุณก็ชอบนะฮะคนก็ชอบแล้วก็ อีกฝานึงคือดีเหนือมนุษย์นะฮะดีเหนือมนุษย์มนาอย่างพวกพระพุทธเจ้าพระหรือพระอริยะทั้งหลายเนี่ยฮะดีเหนือมนุษย์มนานี่จะคนจะชอบค น, คนจะนับถือแต่ว่าพวกกลุ่มนี้ท่านจะไม่ประชาสัมพันธ์ตัวเองจะไม่มีการประชาสัมพันธ์ตัวเองคนที่ไปเคารพนับถือจึงไปด้วยความศรัทธาเลื่อมสายความแต่ก็ไม่แน่แหละไม่แน่ว่าที่จริงถ้าพูดถึงคนเข้าวัดเดี๋ยวนี้เราก็กําหนดอะไรไม่ค่อยได้นะครับ อย่างว่าเข้าอบรมกรรมฐ า, าน ฟ, ฟังบรรยายพระสูตรอย่างโยมอย่างเงี้ยก็มาขนาดนี้เนี่ยนี่นี่ถ้าประกาศแจกเหรียญอะรมารับรองมามากกว่านี้นะฮะรับรองเรามามากกว่านี้เพราะงั้นเอ๋คนที่ที่จะไปติดทุกรูปของสังคมที่เขามีอยู่เนี่ยมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งไปติดจนได้เคนกลุ่มหนึ่งอาจจะถือเป็นเรื่องไร้สาระเ ห, หลืออะไรแต่คนกลุ่มหนึ่งจะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้น ดังนั้นโลกมันจึงเป็นอยู่อย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาท่านปรนุรนกกสะปะก็ดีท่านมคคลิโคสารก็ดีนะฮะมะคคลิโคสารปรกุทากจายยนะอาอจิตเกตกรรมพลสามคนนี้เป็นพวกวัตถุนิยมหมดทั้งสามคนนะฮะก็คือพวกอะไรละ่ะพวกอิสระกนาวาชีนะคือถือว่ามีสิ่งบันดาลจากเบื้องบนพระเจ้าสร้างมาพระเจ้าบุลบันดาลทำตามวงการของพระเจ้า สิ่งต่งางๆไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรไม่มีบาปไม่มีบุญคนแต่สิ่งคนเราตายไปแล้วก็ขาดศูนย์มีขี้เท่าเป็นที่สุดถ้าท่านต้องการนิพพงนิพพานอะไรอะไรพวกนี้ก็อยู่ที่การตอบสนองสิ่งที่เราต้องการในปัจจุบันนะหมายความว่าเราต้องการอะไรในปัจจุบันแล้วพยายามตอบสนองให้มากที่สุดในปัจจุบันนั้นก็คือบรมสุขในความหมายของพวกนี้เพราะว่าตายแล้วก็จบกันไม่มีการการเกิดการอะไรอะไรอีกต่อ ต่อไปแล้วถ้าท่านต้องการนิพพานก็เอากันในปัจจุบันนะฮะนิพพานของเขาก็ไม่มีอะไรคือมีรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะดีๆมากๆ ก, ก็คือว่านั่นแหละคือ น, นิพพานแล้วเพราะชีวิตมันก็จบลงที่ตายเท่านั้นความเห็นเชนี้จึงเป็นความเห็นที่น่ากลัวนะฮะแล้วก็ความเห็นที่เป็นอันตรายมากทั้งในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของบุคคลคนจะไม่รับผิดชอบอะไรเลยเพราะไม่ต้องสนใจนะฮะยังเอ่ยยังคติเอ่คนกลุ่มหนึ่งที่เขาใช้พูดไงฮะ ให้ชั่วเ ม, มืองผีก็ขอให้ดีเมืองคนไว้ก่อนนะฮะคือไม่รู้แล้วยังไงจะไปเดือดร้อนเมืองผีเขาขู่มาไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นไรชั่วเมืองผีก็ขอให้ดีเมืองคนไว้ก่อนก็แล้วกันพวกนี้จะพยายามตักตวงสแสวงหาผลประโยชน์ไอ้แกอาจจะเกิดลังเลในเมืองผีคือหลังจะตายไปแล้วนะแต่แกแ ก, แกก็บอกว่าชั่วเมืองผีก็ขอให้ดีเมืองคนไว้ก่อนส่วนท่านสันชัยเวรัตบุตรไว้ใจ ท, ท่านท่นานนี่คนน่ามบุตร ต่านนิครนาตบุตรนั้นแท้จริงความเห็นของท่านถ้าตามร่องรอยเดิมนะฮะซึ่งเป็นอุเฉทวาทีนี่มันก็เปลี่ยนไปมากพอทุกครคือท่านเป็นคนอะไรเน้นหนักไปในด้านทรมานตัวเองทรมานตัวเองให้เจ็บแสบมากที่สุดเลยถ้าท่านไปที่อะไรล่ะที่ๆแถวตะโปธารามแถวเวรุวันนะฮะ อันที่เคยไปอินเดียไปที่ตโปธารามเวลวันจะพบพวกนิครนที่เขาเอาเชือกมัดที่ศีรษะแล้วก็มีลูกน้องดึงสองด้านนะฮะแสดงให้คนดูดึงหรือว่าเอาฟังตัวเองหรือนอนบนน้ําหรือนอนบนน้ําแข็งเวลาแดดร้อนๆก็ไปนอนบนแผ่นหินอะไรเนี่ยพวกเนี้ยพวกนิครนก็ความคิดความอ่านก็ในสังสารวัตรถ้า มองโยงกันแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปพอทุอควรนะฮะแต่ก็ยังหนักในด้านทรมานตัวเองก็เรียกว่านิคนนินิครนคือไม่มีเครื่องร้อยรัดไม่มีเครื่องร้อยรัดแต่ว่าเครื่องร้อยรัดของท่านนั้นแทนที่จะท่านจะมองไปกิเลสท่านมองไปแง่เสื้อผ้านะฮะมองไปในแง่เสื้อผ้านั้นถือเป็นเครื่องร้อยรัดก็คล้ายๆกับอะไรฮะคล้ายๆกับวันก่อนที่เราประชุมตรงนี้มีการเสนอว่าให้บริโภคอาหารเจ ก, กัน อาตมาบอกไม่ต้องยุ่งหรอกเจไม่เจไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าวันนิพานถ้าต้องการนิพานจะต้องกินอาหารเจไม่ต้องบอกอย่างนั้นคือคือคือเนี่ยเราเราเราไม่เข้าใจประเด็นว่าประเด็นจริงๆมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ตรงกินอะไรนะฮะมันอยู่ที่ปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติอย่างไรท่านั้นเองจึงจะเป็นทางให้เกิดความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์แต่ว่าสิ่งที่เรากินเข้าไปนั้นในการนี้อาหารไม่ใช่ ในกรณีเล่าฟินนะฮะพวกอบายยมุกก็พวกอบายามุกไปแต่ถ้าพูดถึงสิ่งที่เราบริโภคนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกไวปข้อสาคัญว่าให้สิ่งนั้นได้มาในทางชอบทำเป็นนาหารคือนําประโยชน์มาให้ก็ ก, ก็ได้แล้วอะไรก็ได้ต้นไม้ก็ได้ใบหญ้าใบไม้ก็ได้ผลไม้ก็ได้หรือแม้แต่ว่าเนื้อสัตว์ที่เราไม่ฆ่าเองก็ได้ก็เป็นได้ว่าอะไรเราอย่าไปฆ่าเขาถ้าฆ่า เ, าเขาก็ไม่ได้ปรับเรื่องกินนะฮะก็ปรับเรื่องปานาทิบาสนะฮะ ไม่ได้ผิดตอนกินแต่ผิดตอนปาณาธิบาตนะฮะรักของเขาก็เหมือนกันนะฮะสมมติว่ารักของเขาแล้วก็มากินก็ไม่ได้ผิดตอนกินนะแต่ผิดตอนปนานไอตอนอาทินาทานนะแต่กาเนื่องจากของนั้นเป็นปัจจัยที่ได้มาในทางที่ไม่ไได้ไม่บริสุทธิ์สมมติว่าเอามาทำบุญมันก็ได้น้อยอันนี้ก็เป็นลักษณะการเชื่อมโยงกันแล้วก็องค์พระโพธิสัตว์ไม่ใช่พระโพธิสัตว์นั่นแหละ คือพอที่ปริพาชกก็มากลับมาเป็นพระพุทธเจ้านี้ก็มองในแง่ของสังสารวัตรนะฮะท่านทั้งหลายจะเห็นว่าบุคคลในสมัยก่อนนั้นคือในสังสารวัตรคนจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็เปลี่ยนแปลงกันได้ไม่มากเราลองดูคนในจากช่วงเกิดถึงตายกันแล้วกันช่วงสั้นๆช่วงเกิดถึงตายจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรมากเท่าไหร่ นอกจากคนที่ใช้ความเพียนพยายามจริงๆศึกษาฝึกปรืออบรมจริงๆแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าทึ่งเลยแต่ถ้าคนที่ปล่อยกันเ อ, อ, เ อ, อื่อยๆเรื่อยๆเฉยๆแล้วจะมีความเปลี่ยนแปลงน้อยรูปร่างอาจจะเปลี่ยนแปลงไปมากหน่อยนะฮะแต่ว่าใน ด, ด้านความรู้สึกนึกคิ ด, ค ด, คดจิตใจนะเคยอิจฉาริษยาพยาบาทอย่างไรก็อย่างนั้นนะฮะแก่แล้วยังไปพยาบาทเด็กอย่านี้เมื่อก่อนเคยพยาบาทเพื่อน พอแก่แล้วไปปยาบาทเด็กก็ไม่รู้จะทําอะไรดีกว่าอยู่เปล่าๆตอนนี้มันในสภาพจิต ม, มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปมากดังนั้นพ อ, พอเหยียดออกเป็นสังสารวัตรเองเขาก็มีลักษณะอย่างนั้นคือจะเปลี่ยนแปลงน้อยนอกจากว่าคนจะพยายามเพิ่มส่วนกุศลแล้วก็ลดส่วนอกุศลเท่านั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงเน้นสั่งสอนในทุกเรื่องนะยาดุมมินบาวว่มีประมาณน้อยแล้วจะไม่ให้ผล เรีออยดูหมิน่นบุญมามีระมานน้อยแล้วให้ไม่ใหผลต้องเก็บสะสมให้เรื่อยเพราะว่าสุขโภพุญญาสุจรโยการสั่งสมบุญความดีนั้นนําความสุขมาให้แล้เพราะว่าบุญเป็นที่พึ่งของศาตร์ทั้งหลายทั้งในโลกนี้และในโลกอื่นทีนี้ถ้าเราสั่งสมส่วนบุญมันก็ลดส่วนบาปลงไปจิตสันดานในภพชาติปัจจุบันมันก็มีความเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้นโดยลําดับซึ่งแน่นอนล้าเกินเมื่อเราตายไปภพชาติมันก็ต้องสูงขึ้นประณีตขึ้นโอกาสที่จะใกล้นิพานนะฮะมันก็มากขึ้น เอาปันนี้ก็หมดเวลาแตเพียงท่านี้ในที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูบุ์ในธรรมจงมีในท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี